เด็กชายกับดวงดาวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจกักรพรรดิใจดีและรูปงามได้ปกครองแผ่นดินครึ่งหนึ่งของโลกในดินแดนที่กว้างใหญ่ของเขามีผู้หญิงที่งดงามอาศัยอยู่ชื่อลาพิซาลาพิซาเป็นลูกของคนเลี้ยงแกะเธอมีผมเงางามและเรียบสวยทั้งผิวที่นุ่มทำให้เธอโดดเด่นกว่าใครในแผ่นดินนั้นความงามของเธอสะกดทุกคนในเมือง แม้กระทั่งนกสัตว์และต้นไม้ลาพิซ่าไม่ใช่เพียงแค่สวยเท่านั้นแต่เธอยังใจดีอีกด้วยเธอจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเธอและทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอและไม่เพียงแค่นกหรือว่าสัตว์เท่านั้นความสวยของลาพิซ่าและความใจดีของเธอทําให้ดวงดาวลหลงไหลเธอนั่นก็คือลินลาพิซ่าถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดี พวกเราได้ดูเธอจากบนท้องฟ้าและพวกเราถูกสะกดด้วยความงามและความใจดีของเธอและฉันมีของขวัญให้กับเธอด้วยนะของขวัญอะไรเหรอพรก็คือในเดือนที่6ของการแต่งงานของเธอเธอจะได้ลูกชายฝาแฝดฝาแฝดที่มีดวงดาวเด็กผู้ชายกับดวงดาวเหรอใช่ ดวงดาวที่จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งสองคนพวกเขาจะอยู่ข้างๆเพื่อที่จะคอยดูแลเธอดวงดาวของเขาจะเป็นกราบไม่มีใครสามารถทำร้ายพวกเขาได้พวกเขาจะเป็นเด็กที่หล่อและฉลาดที่สุดในแผ่น ด, ดินแห่งนี้เมื่อพูดจบลินก็หายไปในท้องฟ้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ลาพิซ่าพาฝูงแกะไปกินหญ้านั้น <c oughs> เธอได้ยินเสียงมา้าควบเข้ามา เมื่อเธอหันไปเธอแปลกใจที่เห็นจั ก, กรพัทและทหารสองสามคนเข้ามาใกล้ทันทีที่เขาเห็นลาพิซ่าเขาได้ตกหลุมรักเธอทันทีคุณชื่อว่าอะไรฉันชื่อลาพิซ่าค่ะและนั่นทำให้จั ก, กรพัทลงมาจากม้าและพูดคุยกับลาพิซ่ายาวนาน จั ก, กรพัตกลุ่มรักหญิงเลี้ยงแกะและได้ขอเธอแต่งงานลาพิซาประทับใจในจั ก, กระพัฒและยอมตกลงแต่งงานแต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจั ก, กระพัมีมหาเล็กที่ไม่ซื่อสัต์มีนามว่าเมอริกเมอริกอยากให้ลูกสาวของตัวเองเป็นจั ก, กระพัินีจั ก, กระพัไม่ระวังในการกระทาของเมอริกและเขาเชื่อใจเมริกหมดใจเป็นไปได้ยังไง ที่นี่มีประเภทนี้ที่ไม่สามารถยกเลิกได้เธอคือคนเลี้ยงแกะถ้าเธออยากแต่งงานกับท่านเธอต้องให้อะไรที่มีค่ากลับคืนมาเมื่อ น, นั้นการแต่งงานกันจึงจะมีความหมายแต่ว่ า, เ, าเธอเป็นลูกของคนเลี้ยงแกะมันไม่ยุติธรรมที่จะขอสิ่งมีค่าจากเธอนะ ประเพณีก็คือประเพณีท่านราชาข้าไม่ได้เป็นคนตั้งประเพณีขึ้นและในฐานะที่เป็นจักรพรรดิท่านก็ไม่ควรผิดกฎเออแต่ว่าเออฉันขอพูดบ้างได้ไหมคะฉันมีสิ่งของมีค่าที่จะให้เด <c oughs> ือนที่6กของการแต่งงานของฉันฉันได้รับพรว่าจะมีเด็กชายฝ า, าแฝดที่มีดวงดาวบนหน้าผาก พวกเขาจะอยู่โยงคงกระพันและจะปกป้องฉันรวมถึงแผ่นดินแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าท่านไม่ได้โกหกถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องโกหกฉันจะยอมอยู่ในห้องขังไปตลอดชีวิตของฉันค่ะอะไรนะลัพิซ่าไม่อภัยให้ฉันเถอะท่านจั ก, กรพรรดิจะเป็นจั ก, กรพรรดินีหรือว่าเป็นคนเลี้ยงแกะโลกนี้ก็ยังเป็นโลกนี้ฉันเชื่อในพรของฉันและฉันเชื่อในตัวเอง จักรพัดตกลงเพราะวาความเกรงใจงานแต่งงานถูกจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นทั้งวังและทั้งเมืองต่างดีใจและฉลองกันในวันนั้นเมริกไม่สามารถหยุดการแต่งงานได้แต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้แต่อคนเลี้ยงแกะอย่างแน่นอนหลายเดือนผ่านไปและเริ่มเข้าใกล้เดือนที่6แล้วเมริกไม่ได้พักผ่อนในวันที่เข้าใกล้เดือนที่6เลย ในที่สุดเขาก็ได้กระทําในสิ่งที่ทําร้ายต่อพื้นแผ่นดินของเขาเองนายอยากให้ฉันรบกับเมืองของนายละแต่เราจะแพ้นะฉันรู้แต่ว่ามันไม่สำคัญฉันจะให้ท้องนายสองถุงเมื่อนายถูกจับฉันก็จะปล่อยและให้เงินนายด้วยพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเดือนที่หก ฉันต้องแยกจั ก, กระพัดออกจากจั ก, กระพัดดินนี้ไปเดี๋ยวนี้วันต่อมาจั ก, กระพัดได้รับข่าวว่าคนของเขาถูกทําร้ายเขาไม่อยากจะจากภรรยาของเขาแต่มันคือหน้าที่ของเขาที่ต้องปกป้องประชาชนไปเถอดที่รักฉันจะไม่เป็นอะไรศัตรูถูกจับได้และจั ก, กระพัดก็รีบกลับไปหาภรรยาของเขาแต่ว่าเมริกหยุดเขาไว้ วันนี้คือวันสุดท้ายของเดือนที่หกนาทันพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแต่ก็ไม่มีแววของเด็กที่มีดวงดาวคำสัญญาคือคำสัญญาเธอได้พูดเอาไว้ฉันไม่สนแต่ว่าเธอจะไม่เข้าไปในกรงขังเออฉันเข้าใจจักรพดินีสามารถถอนคำพูดได้คดเอาอย่างนั้นไม่ฉันจะไม่ทําอย่างนั้น มันคือคำพูดที่ต่อต้านชั้นและแผ่นดินแห่งนี้แต่ความจริงยังไม่ปรากฏเหมือนที่ฉันสัญญาไว้ฉันต้องถูกขังในคุกทั้งแผ่นดินตกใจทุกคนต่างสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกเว้นเพียงคนเดียวคือเมอริกในคืนนั้นเองเขาแอบหนีออกจากวังและเดินทางไปที่ทะเลนี่มันคือเวทมนตนะ์แนะ่ พวกนายสองคนโตขึ้นเร็วในวันเดียวเงียบนะทั้งวังไม่รู้เลยว่าพรของลาพิซ่าเป็นจริงแล้วดวงดาวได้ให้ลูกแฝดกับจกักรพรร ด, ดิดีในคืนนั้นเ <c oughs> มริกได้เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดลาพิซ่าได้เอาลูกแฝดของเธอไว้ข้างๆและเผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาพบว่าพวกเขาได้หายไปแล้วเมริกอย่ากให้เด็กทั้งสองคนหายไปไกลๆหายไปให้ไกลที่สุดเขาได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เขาได้นำเด็กทารกไปไว้ในเรือและดันเรือออกไปในทะเลที่กว้างใหญ่ <c oughs> ลูกสาวข้าจะเป็นจักรพรรดินีและข้าจะครองโลกข้าจะไม่ยอมให้คนเลี้ยงแกะและเด็กชายกับดวงดาวทาร้ายแผน์เขาเรือลอยออกไปเป็นชั่วโมงก่อนที่พายุจะเกิดขึ้นคลืนนั้นช่างแรงและน่ากลัวนะมันปะทะเรืออย่างแรง แต่เด็กๆ ก, กลับหัวราะและสุกไปกับและคลื่นลูกใหญ่ก็ได้กลืนเรือเข้าไปในคลื่นนั้นแต่แทนที่ว่าจะจมเด็กๆ ก, กับดวงดาวได้ ก, กลายร่างเป็นปลาตัวเล็กสองตัวพวกเขากระโดดออกจากเรืออย่างมีความสุขและว่ายน้ำในพายุตัดกลับมาที่วังข้าเข้าใจความเจ็บปวดของท่าน แต่ประชาชนมองท่านอยู่และทิ้งความหวังกับฝันไว้ท่านต้องคิดถึงพวกเขาท่านต้องแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเมเริกท่านจะไม่ไม่แต่งงานอีกครับโอ้เพื่อคนของท่านพวกเขาไม่ใช่คนโกหกทําไมพวกเขาถูกทิ้งไว้แบบไม่มีจั ก, กรพัดดินหนีละท่านอา๋อข้าก็ไม่รู้ ข้าจะขออนุญาตทำไมท่านไม่แต่งงานกับลูกสาวข้าเธอรู้ทุกอย่างและเธอเข้าใจความเจ็บปวดของท่านาทำในสิ่งที่นายต้องการเมริกแต่ฉันไม่สนหรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมริกจัดการทุกอย่างและการแต่งงานจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์นั้นสองสาวันต่อมาชาวประมงได้เจอปลาตัวเล็กที่ส่องสว่างในตาข่ายของเขา โอ้เอาไปหายจากกระพัดกันเถอะพอแล้วท่านแต่งงานวันนี้นี่จะไปของขวัญเทศดีที่สุดเลยไม่เดี๋ยวก่อนอย่าฆ่าพวกเราโอ้เจ้าปลาพวกนี้พูดได้ใช่แล้วพวกเราไม่ชะปลาธรรมาดาอย่าฆ่าเราเลยแล้วพวกนายอยากให้เราทําอะไรล่ะ เอาถ้วยมาแล้วก็เติมน้ำค้างให้เต็มหลังจากที่เราว่ายน้ำไปเอาเราขึ้นมาวางบนหญ้าและทำให้พวกเราแห้งอ๋อชาวประมงทําตามที่พวกเขาขอแม้ว่าเขาเป็นเพียงปลาที่พูดได้หลังจากที่พวกเขาว่ายน้ำเสร็จปลาก็ถูกวางลงบนหญ้าและถูกทำให้แห้งหลังจากที่พวกเขาแห้งสนิทปลาได้ ก, กลายร่างเป็นเด็กหนุ่ม ทั้งสองคนหล่อเหลาและมีดวงดาวอยู่บนหน้าผากโอ้พวกท่านคือใครพวกเราคือเจ้าชายพวกเราคือลูกชายของจักรพรรดิและจักรพรรดินีลาพิซาโอ้พวกเรารู้ว่าจักรพรรดินีไม่เคยโกงเราก็เลยต้องไปถึงวังก่อนพิธีแต่งงาน นต้องไปนับ า, าของท่านนะอย่าให้ใครเห็นดาวที่หัวท่านเราจะพาท่านไปที่วังเองที่วังแน่นไปด้วยผู้คนทุกคนรอพิธีการแต่งงานแต่ไม่มีใครมีความสุขเลยแม้กระทั่งจั ก, กรพรรดิทุกคนเงียบพวกเราทุกคนรู้ว่าจั ก, กรพรรดิตัดสินใจจะแต่งงานกับลูกสาวค่ะดังนั้นพวกเราควร เ, เดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยวก่อนพวกเขาคือใคร แล้วพวกเขาเข้าผ่านมหันเล็กเข้ามาในวังของเราได้ยังไงกันพวกเราคือลูกของท่านเด็กชายเด็กชายกับดวงดาวฮะอะไรนะเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยผู้ชายคนนี้คนที่ท่านเชื่อใจน่ะจะปล่อยให้เราตายในทะเลและเขาจะได้ให้ลูกสาวเขาเป็นจักรพรรดินีเขาอยากจะครองโลกแต่เขาลืมไปว่าพวกเราได้รับพรจากดวงดาวเขาไม่สามารถ ที่จะข่าพวกเราได้เมอริกนี่เป็นเรื่องจริงอย่างนั้น อ, อ, อคือคืคคคคคอเอออจับตัวเ้าไว้โอ้ลูกชายข้าลูกของข้าและในตอนนั้นจั ก, กรพรรดิก็ได้รีบปล่อยตัวลาพิซาออกจากคุกทันทีเธอกอดลูกชายของเธอไว้ลาพิซ่าดวงดาวพูดถูกเด็กชายทั้งสองเกิดจากความดีงาม และความดีงามมัชนะความชั่วร้ายเสมอจั ก, กรพรรดิและจั ก, กรพรร ด, ดินีได้ปกครองเมืองหลายปีพร้อมด้วยเด็กชายกับดวงดาวจบบริบูรณ์